1>, 1. ปัตตวัตสิกขาบทที่4ว่าด้วยการออกปากขอของอย่างหนึ่งและออกปากขอของอย่างอื่นเรื่องภิกษุณีทุลันันธา748สมัยนั้นพระผู้มีพร ะ, ระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลันันธาเป็นไข่ยอยู่อุบาสก คนหนึ่งเข้าไปเยี่ยมถึงที่อยู่ถามว่าแม่เจ้าไม่สบายหรือจะให้ผมนําอะไรมาถวายนางตอบว่าดิฉันต้องการเนยใสครั้งนั้นอุบาสกนั้นนําเนยแสราคาหนึ่งกหาปณะนะมาจากบ้านของเจ้าของร้านค้าคนหนึ่งถวายแก่ภิกษุณีทุลนันทาภิกษุณีทุลนันทากล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันไม่ต้องการเนยใสแต่ต้องการน้ํามัน ลำดับนั้นอุบาสกนั้นกลับไปหาเจ้าของร้านค้าคนนั้นถึงที่ร้านครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับเจ้าของร้านค้านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าไม่ต้องการเนยใสแต่ต้องการน้ำมันโปรดรับเนยใสของท่านคืนไปโปรดให้น้ำมันแก่ผมเจ้าของร้านค้าจึงตอบว่านายถ้าเรารับของที่ขายไปกลับคืนอีกเมื่อไรเราจึงขายสินค้าได้ ท่านซื้อในใสตามราคาในใสายไปแล้วท่านเจ้าน้ำมันก็จงนําเงินค่าน้ํามันมาครั้งนั้นอุบาสกนั้นตําหนิพลทนาว่าภิกษุณีทุนลนันธาออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วฉะนั้นจึงออกปากขอของอย่างอื่นเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกตําหนิประนามพลทนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามพลทนาฉะนั้นแม่เจ้าทุนลนันธา ออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วจึงขอของอย่างอื่นเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบภิกษุได้นำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ